ภิกษุบางพวกพูดอย่างนี้ว่าอย่าเลยท่านทั้งหลายจะประโยชน์อะไรด้วยการช่วยกันอำนวยกิจการอันเป็นหน้าที่ของพวกเครือขัดจะประโยชน์อะไรด้วยการช่วยกันนำข่าวสารอันเป็นหน้าที่ทูตของพวกเครือขัดท่านทั้งหลายพี่ฉะนั้นพวกเราจะ ก, กล่าวชมอุตริมนุสธรรมของกันและกันแก่พวกครหอขันด น, นะปรึกษากันเรามาช่วยกันอวดคุณวิเศษอวดกันไปอวดกันมา อวดกันอย่างนี้ว่าภิกษุรูปโน้นได้ปฐมฌานนะถ้ายอมมหาองค์นี้ก็จะชมองค์โน้นอ่ะไปหาองคโน้นก็จะชมองค์นี้ชมกลับไปกลับมาว่ารูปโน้นได้ทุติยะฌานรูปโน้นได้ตัตยยฌานรูปโน้นได้จตุทะฌานรูปโน้นเป็นพระโสดาบันรูปโน้นเป็นพระสกทาคามีรูปโน้นเป็นอระนาคามีรูปโน้นเป็นพระอรหันรูปโน้นได้วิชาสามรูปโน้นได้อภิญญาหกนะสลับกันชมนะเปลี่ยนกันชมแต่เขวางแผนไว้เบ็ดเสร็จหมดอ่ะ เมื่อเป็นอย่างนี้พวกเขาจากมุ่งถวายบินทบาทแก่พวกเราด้วยอุบายอย่างนี้พวกเราก็จะเป็นผู้พร้อมเพียงกัน ร, ร่วมใจกันไม่วิวาทกาันอยู่จําพรรษาเป็นผาสุกและจกไม่ลำบากด้วยบินทบาทพิสูจน์เหล่านั้นมีความเห็นร่วมกันว่าอาวุโสทั้งหลายการที่พวกเราพากันกล่าวชมอุตริมนุษยธรรมของการและการแก่พวกเครือหัดนี่แหละประเสริฐที่สุดมั้งเงินงานเบาที่สุดมั้งเงินในวิธีประกอบอาชีพ แล้วก็พากาันกล่าวชมอุตริมนุสธรรมของการและการแก่พวกเครหอขัดว่าพิสูรรูปโน้นได้ปฐมฌานอะละตามแผนเป๊ะเลยนะรูปโน้นได้ทุติยฌ า, านรูปโน้นได้ตติยฌานรูปโน้นได้จะทุติยฌานรูปโน้นเป็นพระโสดาบันรูปนั้นเป็นพระสกะทาคามีรูปนั้นเป็นพระนาคามีรูปนั้นเป็นพระอรหันทรูปนั้นด้วยวิชาสามรูปนั้นได้อภินญาหกนะโอ้มีแต่พระมีบุญทั้งนั้นเลยนะมีแต่ฤทธิ์มีแต่เดชทั้งนั้นเลยแต่ละองคุณธรรมสูงๆ ครั้นต่อมาประชาชนเหล่านั้นพากันยินดีว่าโอ๊ยเป็นลาบของพวกเราหนอพวกเราได้ดีแล้วหนอที่ภิกษุทั้งหลายผู้มีคุณวิเศษเห็นป่านี้อยู่จำพรรษาว่งงางั้นโอ๊ยกว่าจะได้พระดีๆมาอยู่จำพรรษาด้วยนี่ไม่ใช่ของง่ายเพิ่งได้ชุดนี้แหละว่งงางั้นเพราะก่อนแต่นี้ภิกษุทั้งหลายที่อยู่จำพรรษาของพวกเราจะมีคุณสมบัติ เหมือนภิกษุผู้มีศีลมีกาลยาณธรรมเหล่านี้ไม่มีเลยชุดก่อนๆที่มาอยู่นี่ไม่มีชุดไหนดีเท่าชุดนี้เลยแบบนั้นเพราะฉะนั้นโภชนะชนิดที่เขาจะถวายแก่ภิกษุเหล่านั้นพวกเขาไม่บริโภคด้วยตนไม่ให้มารดาบิดาบุตรภรรยาคนรับใช้กรรมกรมิตรอมมาตยา่าสาโลหิตเนี่ยนะไอ้อาหารดีๆทั้งหมดเนี่ยกินเองก็ไม่กินคนในบ้านไม่มีสิทธิ์กินแล้วไว้ทําบุญอย่างเดียวใช่ไหมเพราะว่านาบุญอย่างดีมาอยู่ด้วยแล้วกันอดเลยแบบนั้น อของเคี้ยวชนิดที่พวกเขาจะถวายแก่ภิสูจเหล่านั้นเนี่ยน ะ, ะคำว่าโพชนะก็คือพวกอาหารอาหารหนักะนะของเคี้ยก็คือตะกูลขนมทั้งหลายแหละนั้นของเคี้ยวชนิดที่พวกเขาจะถวายแก่ภิสูจเหล่านั้นพวกเขาไม่เคี้ยวด้วยตนไม่ให้มารดาบิดาบุตรภรรยาคนรับใช้กรรมกรมิตรอมาตยติสาโลหิตของลิม้มไอคว่าของลิ้มก็คือเช่นพวกน้ำพึ่งพวกเนยทั้งหลายเนี่ยนะ ชนิดที่พวกเขาจะถวายแก่ภิกษุเหล่านั้นพวกเขาไม่ลิ้มด้วยตนไม่ให้มารดาบิดาบุตรภรรยาคนรับใช้กรรมกรมิตรอมัดญาติสาโลหิตนะน้ําดื่มชนิดน้ําดีๆนะบ่อที่มันตักยากๆอย่างนั้นนะชนิดที่พวกเขาจะถวายแก่ภิกษุเหล่านั้นพวกเขาไม่ดื่มด้วยตนไม่ให้มารดาบิดาบุตรภรรยาคนรับใช้กรรมกรมิตรอมัดญาติสาโลหิต จึงภิสูุเหล่านั้นเป็นผู้มีน้ำมีนวลผ่องไสมีสีหน้าสดชื่นมีผิวพรรณผุดผ่องคำว่าเงนินก <c oughs> ็คือในบริเวณนั้นช่วงข้าวยากหมากแพงเนี่ยนะมันพร้อมกันหมดอะชุดนี้อ้วนทีงามอยู่กลุ่มเดียววหมกันเ <c oughs> ขาบอกว่าก็การที่พิสูจนทั้งหลายออกพรรษาแล้วเข้าไปเฝ้าเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นประเพณีเป็นประเพ ณ, ณีของพระพริสูจน์สมัยนั้น ครันพิกษุเหล่านั้นจำพรรษาโดยล่วงไตรามาสแล้วก็เก็บเสนาสนะถือบาทหลีกไปโดยมักคาอันจะไปสู่พระนครเวสาลีนะพระพิสูจกลุ่มนี้เนี่ยนะหลังจากที่ยอมเข้าถวายอาหารดีๆก็เกี้ยว่านอนอิม่มนอนหลับพอแก่ความต้องการไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็กลุ่มเนี่ยสดชื่นที่สุดเพราะงั้นเนี่ยคารวาก็นึกว่ามีคุณจริงๆเลยนะท่านไม่พร้อมเลยอะ่ะอ้วนขึ้ น, อ, น, นอ้วนขึ้นเอางั้นะได่ว่าเราหรือเล่าเนี่ย กลับไปนี่น้ำหนักขึ้นอย่างเยอะเลยะทักใหญ่เลยตายเลย น, นะกลุ่มพิซูรูปนี้ก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองเวภัยสาลีเนี่ยนะเที่ยวจาริกไปโดยลําดับถึงพระนครเวสาลีป่ามหาวันกูตาคารสาลาแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมนั่งเฝ้าอยู่ในที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็โดยสมัยนั้นและพิซูผู้อยู่จำพรรษาอยู่ในทิศ ท, ทั้งหลายเป็นผู้สู้พร้อม สูบซิดนะกลมเอิรเนี่ยพร้อมหมดเหมนนเนี่มีผิวพันธ์เศร้ามองเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นมีเนื้อตัวสัพัังไปด้วยเส้นเอ็นเงี่งส่วนภิกษุพวกฝั่งแม่น้ำวักคุมุทาเป็นผู้มีน้ำมีนวลมีอินทรีผ่องใสมีสีหน้าสดชื่นมีผิวพันธ์ผุดพองก็การที่พระผู้มีพร ะ, ระภาค พ, พุทธเจ้าทั้งหลายทรงปราศัยกับพระอาคารทุกกาทั้งหลายนั่นเป็นประเพณีนีนะ คือพระ อ, องค์ก็จะทักทายปราศัยเนี่ยนะเขาบอกว่าไอ้ประเพณีที่พระ อ, องค์ถามก็แดูก่อนที่สุดทั้งหลายสรีระยนของพวกเธอซึ่งมีจักรสี่ทวาร9ยังพอทนได้เลยหรือคือพวกเธอยังอาจเพื่ออดทนอดกลั้นเพื่อบริหารได้หรือสรีระยนของพวกเธอไม่ให้ทุกอะไรอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือว่างั้นเนี่ยเป็นถ้อยคําที่พระ อ, องค์ก็ไต่ถามไป ครั้งนั้นพวกครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามพวกพิสษุฝังแม่น้ำวัคคุมุทาว่าดูความพิสูน์ทั้งหลายร่างกายของพวกเธอยังพอทนได้หรือยังพอให้เป็นไปได้หรือพวกเธอเป็นผู้พร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่วิวาดกันอยู่จำพรรษาเป็นฐาสุขและไม่ลำบากด้วยบินทบาศหรือพิสุนเหล่านั้นกราบทูลว่ายังพอทนได้พระพุทธเจ้าค้า ยังพอให้เป็นไปได้พระพุทธเจ้าค่าอันหนึ่งพวกข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน ร, ร่วมใจกันไม่วิวาทกันอยู่จําพรรษาเป็นฐาสุขแล้วก็ไม่ลำบากด้วยบินทบาทพระพุทธเจ้าค่าพระตถาคตทั้งหลายทรงทราบอยู่ย่อมตรัสถามก็มีทรงทราบอยู่ย่อมไม่ตรัสถามก็มีเพราะผมเป็นสัพพันญูเนี่ยนะมองก็รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไร แ ต, แต่รู้ก็บางทีก็ถามบางทีก็ไม่ถามทรงรรทราบการแล้วตรัสถามต้องรู้เวลาแล้วจึงกระถามทรงรรรทราบการแล้วไม่ตรัสถามก็คือไม่ใช่การที่เหมาะสมที่จะถามพาตถาคตทั้งหลายย่อมตรัสถามสิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ตรัสถามสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ในสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์พระองค์ทรงกาจัดด้วยข้อปฏิบัติพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายด้วยอาการ2 อ, อย่างพระองค์ถามพิสูจน์เพราะสองอย่างคือจักทรงแสดงธรรมอย่างหนึ่งจักทรงบัญญัติสิกขาบทแก่ภาษาวกทั้งหลายอย่างหนึ่งอันนี้เหตุผลที่พระองค์ถามนะถ้าพระองค์ถามขึ้นมาแสดงมาเหตุผลสองอย่างนี้ ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามพวกพิสุฟังแม่น้ําวัคู่มุทาว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายพวกเธอเป็นผู้พร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันอยู่จําพรรษาเป็นผาสุกและไม่ลําบากด้วยบินทบาทด้วยวิธีการอย่างไรนะใช้วิธีไหนจึงอยู่อย่างผาสุกได้บังนั้นพิกษุเหล่านั้นได้ทูลเนื้อความนั้นให้ทรงทราบแล้วก็เล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ปรึกษากันยังไงยังไงเพราะว่า มีข้อแม้ว่าถ้าต่อหน้าพระพุทธเจ้าไม่มีใครหลอกได้ไม่ไม่มีใครโกหกนะต้องพูดความจริงอันนี้เป็นบารมีของพระองค์อย่างเดียวนะซึ่งต่อหน้าพระองค์จะต้องพูดความจริงถ้าพูดความจริงไม่ได้ต้องนิ่งอย่างเดียวพระองค์จะถามสามครั้งถ้าไม่ตอบศีรษะจะแตกเก็เสียงนะนะถ้าไม่ตอบอันนี้นี่เป็นบารมีที่พระองค์สั่งสมมาเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่มาแบบโกหกพระองค์ได้เหมือนกันพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพี่สุทั้งหลาย คุณวิเศษของพวกเธอนั่นมีจริงหรือมีจริงหรือเปล่าละ่ะที่ว่าเนี่ยไม่มีจริงพระพุทธเจ้าขา่า <c oughs> หลอกไม่ได้อยู่แล้วพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนโมฆะบุรุษนะคำว่าโมฆะบุรุษแปลว่าคนเปล่าคนโมคฆะแปลว่าว่างใช่ไหมอะไรเป็นโมคฆะเช่นการประชุมนี้เป็นโมคฆะก็ถือว่าเหมือนกับมันเด็กประชุมอะ โมฆะก็คือว่างคํว่าว่างเปล่าในที่นี้ก็คือไม่มีชาณอพิญญา ม, มักผลอะไรอยู่ในนั้นเลย น, นะคนเปล่าเลยนะคเป็นภาชนะก็ไม่มีน้ำอย่งนั้นะไม่มีสารคุณอยู่ในจิตใจเลย น, นะดูก่อนโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทาของพวกเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำดูก่อนโมฆะบุรุษทั้งหลายฉนัพวกเธอจึงได้กล่าวชมอุตริ ม, มนุสธรรม ของกันและการแก่พวกครหอขัดเพราะเหตุแห่งปากท้องเล่าว่าไงอาศัยปากท้องก็มูสาวาฏอวดอุตริทั้งๆ ท, ที่ไม่มีอยู่จริงว่า้นไม่ใช่ว่ามีจริงแล้วอวดได้นะมีจริงก็อวดก็เป็นอาบัติอีกนั่นแหละดูก่อนโมฆะบุรุษทั้งหลายท้องอันพวกเธอควานแล้วด้วยมีดเชือดโคอันคมยังดีกว่าอันพวกเธอกล่าวชมอุตริมนุษยธรรมของกันและการแก่พวกเครหอขัดเพราะเหตุแห่งท้อง ไม่ดีเลยเนี่ยนะเอามีดไปทิ่มเข้าไปแล้วก็คว้านเนี่ยนะเหมือนญี่ปุ่นนะนีญี่ปุ่นเนี่ยถ้าทหารญี่ปุ่นก็จะนิยมคว้านท้องใช่ไหมอะไรคว้านแบบนั้นแหละยังดีกว่าอย่างเงี้นถ้าหากว่าไปชมอวดอุตตรีมนุสธรรมซึ่งกันและกันแล้วก็โยมเข้ า, เอาอาหารมาถวายเนี่ยนะอย่าไปฉันมันเลยอ่างเง้นไอ้คว้านท้องแบบนั้นดีกว่าข้อที่เราว่าดีกว่านั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้คว้านท้องด้วยมีดเชือดโค อ, อันคมนั้น พึงถึงความตายหรือความทุกเพียงแค่ตายอันนก็แค่ตายอันนั้นเหมือนกันเนอะซึ่งมีการกระทํานั้นเป็นเหตุและเพราะการกระทํานั้นเป็นปัจจัยเบื้องหน้าแต่แตกกายตายไปไม่พึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกอันนั้นแม่ๆก็ตายแค่นั้นแหละส่วนบุคคลผู้กล่าวชมอุตรีมนุสธรรมของการและการแก่พวกเครือหัดนั้น เบื้องหน้าแต่แตกกายตายไปพึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกซึ่งมีการกระทํานี้แลเป็นเหตุเพราะล่วงกรรมบทใช่ไหมวจีทุจริตนะขณะที่พูดออกไปนั่นน่นะเป็นมุสาวาตเป็นวจีทุจริตเพราะเหตุแห่งอาชีพ อ, ะอ่ะอดูก่อนโมคฆบุรุษทั้งหลายการกระทําของพวกเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใส ย, ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้การกระทำของพวกเธอนั้นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของคนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วนะพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยทาลายทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะว่ากันคันแล้วพระองค์ทรงกระทำธรรมีกระฐารับสั่งกะพิสูทั้งหลายว่าดังนี้ดูก่อนพิสูทั้งหลายมหาจนห้าจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกมหาชนห้าจาพวกเป็นไง ดูการพิสูจ์ทั้งหลายมหาโจรบางคนในโลกนี้ย่อมปรารถนาอย่างนี้ว่าเมื่อไร่หนอเราจักเป็นผู้อันบุรุษร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วท่องเที่ยวไปในคามนิคมและราชธานีเบียดเบียนเองให้ผู้อื่นเบียดเบียงตัดเองให้ผู้อื่นตัดเผาผลาญเองให้ผู้อื่นเผาผลาญสมัยต่อมาเขาเป็นผู้อันบุรุษร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วเที่ยวไปในคามนิคม และราชธานีเบียดเบียนเองให้ผู้อื่นเบียดเบียนตัดเองให้ผู้อื่นตัดเผาผลาญเองให้ผู้อื่นเผาผลาญ น, น, นะก็คือคนที่คิดมักใหญ่ฝ่ายสูงอ่ะ น, นะตั้งตัวเป็นโจรใช่ไหมก็ไปหาเรียบไปหาเด็กเด็กพวกกัพร้าพวกอะไรทั้งหลายเลยอะเอามาเลี้ยงมาคุนให้โตขึ้นแล้วก็เที่ยวปล้นเหมือนันเนี่ยฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เลวซามคือปาปะภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉนั้นเหมือนกัน นะภิกษุผู้ใจบาปบางองค์ก็แบบนี้เหมือนกันย่อมปรารถนาอย่างนี้ว่าเมื่อไรหนอเราจึงจักเป็นผู้อันภิกษุร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมนะแล้วก็เที่ยวจาริกไปในคามนิคมและราชธานีอันเครือหัดและบรรประชิตสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีฬานปัจจัยเภสัชบริขารสมัยต่อมาเธอ เป็นผู้อันพิสูุร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วเที่ยวจาริกไปในคามนิคมและราชธานีอันเครือขันและบันปะชิตสการะคารบนับถือบูชายำเกรงแล้วได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีฬานะปัจจัยเภสัชบริคารทั้งหลายดูความพิสูุนทั้งหลา ย, าลายนี้เป็นมหาโจรจำพวกที่หนึ่งมีปรากฏอยู่ในโลกว่างั้นนหร มักใหญ่ไฟสูงอยากมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะๆไปที่ไหนบริวารมากๆคนนับถือเยอะๆอะไรลักษณะนี้นะซึ่งอัตถกถาท่านอธิบายว่าบทผ้าดํารัสว่าเอวเมวโขเป็นต้นเพื่อทรงแสดงมหาโจรห้าจำพวกในพระศาสนาพูดเช่นกับโจรภายนอกนั้นก็บอกว่าในที่อื่นๆภิกษุผู้ต้องปารารชิกมีมูลขาดแล้วท่านเรียกว่าภิกษุผู้เลวซามหรือว่าปาปะภิคุ ส่วนในสิกขาบทนี้พิสูผู้มิได้ต้องปาราชิกแต่ตั้งอยู่ในอิจฉาจารอิจฉาจารก็คือผิดศีล น, นะนะไม่มีอาจาระไม่มีศีลเที่ยวย่ำยีสิกขาบทน้อยสิกขาบทใหญ่ด้วยประสงค์ว่าอนาภงประสงว่าป่าปะพิสูหรือพิสูพุเลวสามปราถนาในส่วนเบื้องต้นย่อมเกิดขึ้นแก่พิสูุ้เลวสามนั้นเหมือนเกิดขึ้นแก่มหาโจรภายนอก อย่างนี้ว่าเมื่อไรหนอเราจากเป็นผู้อันพิสูจ์ร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมคือกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มที่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมตา ม, ตามวินัยอะไรเพราะฉะนั้นนะกลุ่มนี้เที่ยวจาริกไปในคามนิคมและราชธานีอันครือขัดและบรรปชิตสการะเคารพนับถือบูชา ย, ยามเกรงได้จีวลบินธบาศเสนาสนะคีลานะปัจัจเพศสัตว์บริขาร น, นะไปที่ไหนก็มีแต่คนยกย่องนับถือว่างั้น ข้อว่าโสอัปเรณสมาเยนมีความว่าภิกษุผู้เลวซามนั้นครั้นคิดในส่วนเบื้องต้นอย่างนี้แล้วสงเคราะห์พวกภิกษุเลวซามผู้ไม่มีความเคารพกล้าในศีขาบททั้งหลายเรียกว่าไปคัดหาเอาพระภิกษุที่ที่ไม่มีใจสัตใจในศาสนาเลยว่างั้นะ ไปหาภิกษุประเภทฟุงซ่านจองหองลุกลิกปากจัดพูดพร่ำเพื่อหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีอินทรีย์เปิดก็คือไม่สำรวมอินทรีย์6นั่นเองที่พระอุปชาอาจารย์สละทิ้งแล้วเนี่ยนะคือพวกไปหาไอ้พวกเหลือขอทั้งหลายแหละมาร่วมร่วมกัน่ะนะเป็นผู้นักในในาบโดยลำดับแล้วให้สำเนีธรทำเนียมของการหลอกลวงทั้งหลาย นะอาจารย์ก็จะเอามาฝึกเอาฝึกวิธีหลอกลวงว่างั้นมีการวางกิริยาท่าทางเป็นต้นเดินยังไงจึงจะเรียกศรัทธาว่างั้นนะนะเดินยังไงจึงจะได้เงินร้อยเงินทันว่างั้นเป็นผู้มีอันคุณเป็นผู้มีคุณอันพวกเพียกสุเลวซามผู้ทำความสั่งสมในนิทานชาดกเป็นต้นฝึกให้เทศนะจับมาฝึกให้เทศนะให้เล่าชาดกเป็นเล่าเรื่องราวเป็น นะแล้วก็สมบูรณ์ด้วยกระแสเสียงนะเทศต้องใช้น้ำเสียงแบบนี้นะงนั้นสา ม, มารถเพื่อลวงต้มชาวโลกสลรเสริญอยู่ด้วยอุบายทั้งหลายมีการพันานาถึงเสนาสนะที่ชาวโลกสมมุติเป็นต้นอย่างนี้ว่าพระเถระรูปนี้เข้าจำพรรษาอยู่ในเสนาสนะชื่อนูนบาเพ็ญวัดปฏิบัติอยู่ออกพรรษาแล้วก็จับออกไป ก็นะเขาก็จะมีการปล่อยข่าวไปว่ากลุ่มนี้จะไปยังไงยังไงมีการวางแผนกันเบ็ดเสร็จหมดเป็นผู้อันพิสูรร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมเที่ยวจาริกไปในคำนิคมและราชธานีอันเครือั น, นและบรรพชิตสั ก, กระเคารบนับถือบูชายำเกรงได้จีวรมินทบาทเสนาสนะและคีฬานะปัจจัยเภสัชบริขันข้อว่าอายังพิขเวปัโมมหาโจโรว่างั้นที่แปลว่า นี่เป็นมหาโจรข้อที่หนึ่งเนี่ยนะมีความว่าพิกษูผู้เลวซามเป็นเหมือนโจรผู้ตัดที่ต่อเป็นต้นนี้เพิ่งทราบว่าเป็นมหาโจรจําพวกที่หนึ่งมิใช่จะหลอกลวงตระกูลหนึ่งนะถามว่าทำไมจึงใช้คำว่ามหาโจรใช่ไหมเพราะไม่ได้หลอกตระกูลเดียวหรือสองตระกูลเท่านั้นก็หามไม่โดยที่แท้ยังหลอกลวงมหาชนถือเอาปัจจัยสด้ว ย, ยนะนะ หลอกลวงไม่ได้หลอกลวงบ้านเดียวสองบ้านเห็นไหมหลอกลวงไปทั่วบ้านทั่วเมืองส่วนภิสูจนเหล่าใดอันนเอาพิสูจนฝ่ายดีนะพิสูุนตรงข้ามว่าส่วนภิสูุเหล่าใดเป็นผู้เชี่ยวชาญในพระสูตรเชี่ยวชาญในพระพิธรรมหรือทรงพระวินัยเมื่อพิกษสาจารย์ไม่สมบูรณ์เที่ยวจาริกไปตามชนบทบอกบาลีกล่าวอัตกถาอย่างชาวโลกให้เลื่อมใสยอยู่ด้วยอนุโมทนาด้วยธรรมะคถาและความเรียบร้อยแห่งกิริยาท่าทาง ภิกษูเหล่านั้นเขาสักการะเคารพนับถือบูชายาเกรงแล้วเพิ่งทราบว่าเป็นผู้ยังพระศาสนาให้รุ่งเรืองอ น, นะตรงกันข้ามนั้นนะคือคนก็เลื่อมใสเหมือนกันแต่ว่าพฤติกรรมของพระสองกลุ่มนี้แตกต่างกันกลุ่มที่สองซึ่งปฏิบัติตามเนี่ยนะที่ใช้คําว่าเชี่ยวชาญในพระสูตรเชี่ยวชาญในพระพิธธรรมหรือทรงพระวินยัยแล้วก็มีการแสดงธรรมให้ประชาชนเคารพนับถือเป็นต้นแล้วเป็นผู้ยังพระศาสนาให้รุ่งเรือง สืบต่อแบบแผนและประเพณีไว้ทีนี้มหาโจรข้อที่สองว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอีกข้อหนึ่งพิสูุผู้เลวสามบางรูปในธรรมวินัยนี้เล่าเรียนธรรมวินัยอันพระตถาคตประกาศแล้วย่อมยกตนขึ้นดูก่อนพิสูจนทั้งหลายนี้เป็นมหาโจรจำพวกที่สองมีปรากฏอยู่ในโลก น, นะเรียนธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าใช่ไหมแต่ยกว่าเป็นของตัวเองอันนี้เป็นมหาโจรประเภทที่สอง ท่านอธิบายว่าตถาคตัปเวที่ตั้งความว่าอันภ่าตถาคตแทงตลอดแล้วคือกระทําให้ประจักษ์แล้วหรือยังให้ผู้อื่นรู้แล้วสองบทว่าอัตโนทหติที่ว่ายกใส่ตัวเนี่ยนะมีความว่าภิกษุผู้เลวซามเทียบเคียงบาลีและอัตถกถาอยู่ในถ้ำกลางบริษัทกล่าวพระสูตรอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสด้วยเสียงอันไพเราะถูกวินยูชน ผู้เกิดมีความอัศจรรย์ใจไต่ถามในที่สุดแห่งธรรมกถาว่าโอ้ท่านผู้เจริญบาลีและอัตรกราบริสุทธิ์ถ้าคุณจเจ้าเรียนเอาจากสำนักของใครดังนี้กล่าวว่าใครจะสามารถให้คนเช่นเราเรียนแล้วไม่แสดงอาจารย์ประกาศธรรมวินัยที่ตนแทงตลอดเองโอ้บรรลุเองว่างั้นคือที่ตนได้บรรลุด้วยสยามภูอ่าวิชาเหล่านี้เรียนว่า บรรลุเองว่า ง, งั้นรู้เองไม่อ้างใครสักอย่างไม่อ้างคัมภีร์ไม่อ้างอะไรสักอย่างถือว่าเป็นความรู้ที่ตัวเองเกิดขึ้นปฏิบัติได้เองว่า ง, งั้นภิกษุผู้ขโมยธรรมะที่พระตถาคตทรงบำเพ็ญบารมีสิ้นสี่อสงขขยยิ่งด้วยแสนกับได้ตรัสรู้โดยแสนยากลําบากนี้อันนี้จัดเป็นมหาโจรจําพวกที่สองว่า ง, งั้นเถอะขณะเรียนมาคําเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นของตัวเองได้นะ ก็ปล้นของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่ามหาโจรประเภทที่สอง่อามหาโจรประเภทที่สามาดูก่อนพิสูุน์ทั้งหลายอีกข้อหนึ่งพิกูุผู้เลวสามบางรูปในพระธรรมวินายนี้ย่อมตามกำจัดเพื่อนพรหมจารีผู้หมดจดผู้ประพฤติพรหมจรในอ่าผู้ประพฤติพรหมจรันอันบริสุทธิ์อยู่ด้วยธรรมะอันเป็นค่าศึก แก่พรมจันยร์อันหามูลไม่ได้ดูก่อนพิสูุทั้งหลายนี้เป็นมหาจนจำพวกที่สามมีปรากฏอยู่ในโลกมหาจรในที่นี้ก็คือไปปล้นเอาคุณธรรมอย่างเช่นว่าไปโจดพระอรหันต์ว่าเป็นปราชิกโจดพระอรหันต์โจ์พระนาคามีเป็นต้นนะโจ์ภิกษุที่บริสุทธิจท์จนถึงปุถุชนผู้มีศีลเป็นต้นโจดว่าท่านเหล่านั้นเป็นปราชิก ข้อว่ามูลเกณ์นะอบรมจริเยนนะอนุทางเสติมีความว่าภิกษุผู้เลวสามย่อมกล่าวหาคือโจทย์ด้วยอันติมาวัตถุคือโจทย์ด้วยปราชิกนะซึ่งไม่มีอยู่ในบุคคล น, นั้นภิกษุผู้ลบหลูคุณที่มีอยู่ขโมยอริยคุณนี้จัดเป็นมหาโจรพวกที่สาม น, นะที่ในในสังคาธิเศตองหนึ่งภิกษุใดเนี่ยนะไปโจทย์ภิกษุที่ที่บริสุทธิ์เนี่ยนะว่าองค์เนี่ยเป็นปราชิกเนี่ยนะ นะอันนี้ก็เป็นสังฆาธิเศตรนะหรือว่าถือเอาเลสนะแห่งเอกเทศบางแห่งให้เป็นอธิกรเส้นไปเห็นอะไรที่ไหนมาไม่รู้ถือเอาเรื่องนั้นนะเป็นเลสแล้วก็โจดว่าองค์นี้ เ, นเป็นประชิกอันนะี้พวกนี้ก็เป็นมหาโจรจําพวกที่3สามในสังฆาธิเศตนี่มีสองสิกขาบทที่พระอัชชีและพระปุณหพสุกะเนี่ยนะตามโจดพระทัพพระมัลระบุตรเนี่ยนะพระทัพพระมัลรบุตรนี่ถูกพิสูจนสองรูปนี่นะตามโจดด้วยบัตรประชิกหลายครั้ง ก็อบอกว่าโทษก็คือเคยไปทําเหตุไว้ในศาสนาพราะพุทธเจ้าองค์ก่อนๆอย่างนั้นขนาดท่านบรรลุปเป็นพระอรหันต์อายุเจ็ดขวบ น, นีโตเป็นหนุ่มมาเนี่ยเขายังโจทเลยเนียเพราะฉะนั้นผู้ที่โจดอบัตปราชิกที่ไม่มีมูลเป็นต้นเนี่ยหรือหาเรื่องโจดอะทั้งๆที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกอันนี้เป็นมหาโจรจําพวกที่สดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอีกข้อหนึ่งพิสูจผู้เลวสามบางรูปในธรรมวินัยนี้ ย่อมสงเคราะห์เกลี้ยกล่อมครือข่าทั้งหลายด้วยคารุพันธ์คารุบริขารของสงเนีย่ยนะคือเอาคารุพันธ์เอาครุบริขารเนี่ยของสงเช่นอารามพื้นที่อารามวิหารพื้นที่วิหารเตียงตั่งฟูกหมอนหม้อโลหะอ่างโลหะกระถางโลหะกระทะโลหะมีดขวานผึ่งจอบสว่านทาวันไม้ไผ่หญ้ามุกตาหญ้าปล้องหญ้าสาหมันดินเหนียวเครื่องไม้เครื่อ ง, องดิน ดูความพิสูจน์ทั้งหลายนี้เป็นมหาโจรจำพวกที่สี่มีปรากฏอยู่ในโลกคือแจกครุพันเนี่ยนะของสงเนี่ยให้โยมไปเลยอันนี้เนี่ยเป็นเป็นมหาโจรจำพวกที่สองเพราะปล้นของสงคขาวง